ข้อความในมหาปรินิพานสูตรต่อที่บอกว่าผู้ที่บูชาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ของหอมเครื่องดนตรีหรือว่าสื่อบริเลงต่างๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเป็นการบูชาพระองค์เลยคือหมายความว่าพระองค์นั้นไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเครื่องสักการะเครื่องบูชาเหล่านี้ นั้นถ้าจะเป็นการบูชาพราะองค์อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตามธรรมให้กายวาจาใจไหลไปตามคุณธรรมทั้งหลายการปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าสักการะเคารพนับถือและบูชาซึ่งเป็นการบูชาอย่างยิ่งอธิบายเพิ่มเติมบอกว่า บทว่าธรรมมนุธรรมปฏิปันโนได้แก่ปฏิบัติปุปภาคัปฏิปทาอันสมอันเป็นธรรมสมควรหมายก็ว่าการปฏิบัติที่เป็นเครื่องบูชาก็คือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่คู่ควรแก่การบรรลุมรคผลหรือเป็นการปฏิบัติคุณธรรมที่สามารถรองรับมรคผลได้อะข้อปฏิบัติเหล่าใดที่สามารถรองรับมรคผลนิพพานได้อันนั้นแหละเรียกว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับคุณธรรมชั้นสูงข้อปฏิบัติอันนี้แหละเรียกว่าสามีจิตแปลว่าชอบอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่สมควรเป็นการปฏิบัติที่ชอบปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างจริงเชื่อว่าอนุธรรมจารีแปลว่าประพฤติบำเพ็ญธรรมอันสมควรคือปุปราภาคปฏิปทาหมายถึงศีลเป็นต้นนั่นแล คำว่าปุปภภาคปฏิปทาคืออะไรคือศีลอาจาระบัญญัติการสมาทานทุดง น, นะสะัมปทาข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมาธิทั้งหลายไปจนถึงโคตรภูญานนี้เรียกว่าปุปภภาคปฏิปทาข้อปฏิบัติเบื้องต้นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาก็คือศีลกับทิฏฐิที่ตรงเมื่อมีศีลมีทิฏฐิที่ตรงอย่างนี้แล้วก็เจริญทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตราาานาวิสุทธิญาทัทสนวิสุทธิเป็นต้นก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานข้อปฏิบัติเราใดที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานข้อปฏิบัติเหล่านั้นเรียกว่าปุปภปภาพปฏิปทาเพราะฉะนั้นภิกษุเราใดที่ตั้งอยู่ในอคาระวะหแปลว่าหาความเคารพในพระพุทธจเจ้าก็ไม่ได้ไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพใน พระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศิกขาไม่มีการเคารพในสมาธิและปฏิสันฐานบุคคลเหล่านี้ก็เชื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ทำเพราะแม้แต่พุทธะคารวะคือความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ไม่มีนะถ้าไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำหรือละเมิดพระบัญญัติหมายคือว่าสิ่งใดที่พระองค์ห้ามก็กลับไปละเมิดสิ่งใดที่พระองค์อนุญาตก็ อ่านะบัรเออเรียว่าอนุญาตก็ปฏิเสธพธุ้ทพธกลมเหล่านี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมที่ไม่สมควรหรือเลี้ยงชีวิตโดยอเนสนาใช้ชีวิตอยู่ในมิจฉาอาชีพนะเช่นเอาลาบมาเลกลาาบเป็นต้นภิกษุเหล่านี้ก็เชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรเพราะอะไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติใน ในศีลหรือไม่ปฏิบัติเพื่อเจริญสัตทินรีวิริยสีเป็นต้นเป็นเป็นการปฏิบัติไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลเลยอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่สมควรส่วนพิสุใดที่ปฏิบัติตรงกันข้ามไม่ละเมิดศิขาบทที่พระองค์บัญญัติแก่ตนทั้งหมดที่มีขีดขั้นเขตแดนนะไม่ล่วงละเมิดเส้นบรรทัดของพระชินเจ้าแม้มีประมาณน้อย ก็คือปฏิบัติตามคําสอนทุกประการเรียกว่าใช้กายวาจาใจาให้รู้ไปตามคําสอนเป็นไปตามคําสอนโคจรไปตามคําสอนอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือให้ใจท่องเที่ยวโคจรไปในคําสอนของพระพุทธเจ้ามั้นแม้แต่พิษุณีก็เหมือนกันนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติตามอย่างที่พระองค์ แนะนำและสั่งสอนก็อย่าลืมว่าพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อจะสอนสิ่งใดเราก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามสิ่งนั้นสิ่งใดที่พระองค์สร้างบารมีแล้วพระองค์รู้ว่ามันมีโทษพระองค์ไม่อนุญาตก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนั้นเข้าใจวัตถุประสงค์ตามที่พระองค์แสดงทุกประการอย่างเช่นพระวินัยเนี่ยพระองค์บัญญัติวินัยก็ไม่ใช่บัญญัติเลื่อนลอย องแสดงอำนาจประโยชน์ก่อนและค่อยบัญญัติพระวินัยท่านเข้าใจวัตถุประสงค์เข้าใจความต้องการของพระองค์แล้วเราเองก็มีอัธยาศัยตามพระองค์เนี่ยนะมีอัธยาศัยที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ทั้นถ้าเราไม่มีอัธยาศัยที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เราก็เสื่อมจากคำสอนของพระองค์เมื่อเรา ไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เพิกถอนคำสอนของพระองค์เป็นต้นเราเองก็แสดงว่าเป็นตัวหนอนตัวด้วงตัวแมลงที่คอยกัดทำลายต้นโพคือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่พร้อมจะปฏิบัติแล้วก็ยังอยู่นะเรียกว่าอยู่อยู่ในในแดนคำสอนของพระองค์นั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่อย่างนั้นเราเองก็ตกจากพระธรรมวินัยนี้ ทีนี้อันนี้ข้อปฏิบัติสำหรับพิกษุนิสูนีนั้นจะต้องเป็นไปตามคำสอนส่วนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะยึดถ้าหากว่าอุบาสกเหล่าใดยึดเวณทั้งห้าเวณห้าก็คืออะไรก็คือการละเมิดศีลห้าเรียกว่ายึดเวณห้าสมาทานเอาเวณทั้งห้าเป็นข้อปฏิบัติเพราะสมาทานเจตนาในการฆ่าก็เท่ากับว่าเวณสร้างเวนให้ตัวเองอายุสั้นในอนาคต ลักทรัพยส์สิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ก็สมมาทานผูกเวรเป็นคนยากไรนะถ้าหากว่าผิดประพฤติผิดในการมก็สมมาทานมาเก่อศัตรูเอาไว้ร่มรอบด้านแล้วก็ถ้ามุสาว่าก็แสดงว่าเป็นที่ตั้งแห่งความหลอกลวงถ้าเดิมสุราและเมรัยก็เป็นโง่เขลาเบาปัญญาแล้วก็ปัญญาอ่อนเป็นต้นเอาทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ดื่มเองขายอย่างเดียว ก็รับเลี้ยงพวกปัญญาอ่อนต่อไปก็แล้วกันเนี่ยนะมันก็ใกล้ๆกันอ่ะนะเพราะเพราะกรรมมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเห็นบุพการีบางคนเนี่ยนะนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่บางคนเนะี่ยแมตัวเองก็แก่แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกปัญญาอ่อนเนี่ยนะนะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ไม่รู้ใครจะตายก่อนใครไนงะนี่เยอะนะรู้สึกมีเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีให้เห็นเยอะเนี่ยนะ อันที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่ากิจกรรมประเภทสนับสนุนให้ปัญญาอ่อนเนี่ยนะให้สติปัญญาให้ไม่มีสติปัญญาในที่สุดคนที่สนับสนุนก็ต้องอะไรนะต้องคอยดูแลเลี้ยงดูไปก็แล้วกันพันการผิดศีลห้าพระองค์จึงบอกว่าเป็นเวรทั้งห้าพันอุบาสกเหล่าใดาที่ยึดเวรห้าประกอบอยู่ในอากอุศลกรรมบทสิบประการเนี่ยนะ ล่วงทุจริญทางกายล่วงวจีอ่าล่วงทุจริญทางวาจาและประพฤติทุจริตทางใจประพฤติอย่างเหนียวแน่นอุบาสกเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะอะไรเพราะไม่ปฏิบัติสมควรแก่คุณธรรมของอุบาสกทั้งหลายพัน้าไม่ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างนี้จะรองรับมรรคผลนิพพานได้อย่างไรจะเป็นการรองรับคุณธรรมชั้นสูง จะรองรับความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้อย่างไรตรงงินข้ามอุบาสกที่ปฏิบัติให้สมบูรณ์อยู่ด้วยสาระเนี่ยนะเจริญศรัทธาแล้วก็เจริญศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรืออุโบสถเดือนละแปดครั้งถวายทานบูชาด้วยของหอมบูชาด้วยพวงมาลายัยเป็นต้นบํารุงมารดาบิดาบํารุงสมณภรามอุบาสกผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็อยู่ในมงคนนั่นเองนะมาตาปิโตุปถานังปุตตะทารสสังฆโหอนาคุลาจากักรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังนะอารตีวิรตีปะปามัจฉปานะจัศสัญญมอัปมาตูจัตธรมเมโสเอตัมมังกลมุตตะมังเนีเ่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมังนั้นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมของเราเนี่ยมีหรือไม่อ่าวิธีการดูง่ายๆก็ดูว่า การปฏิบัติของเราทั้งหลายเป็นไปตามมงคณไหมถ้าเป็นไปตามมงคลเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วแต่ถ้าตรวจดูในมงคลสามสดมีอัปมงคลข้อใดอยู่ในตัวก็แสดงว่านั่นเป็นความผิดนั่นเป็นความพลาดนั่นเป็นความเสื่อมของเราผู้ปฏิบัติเพื่อความเสื่อมก็ไม่ไม่อะไรก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพราะนั้นพระองค์ในร้องเรียกการปฏิบัติด้วยอะไรด้วยกุศลธรรม พระองค์ไม่ต้องต้องการวัตถุเป็นเครื่องสกสาระแต่พระองค์ต้องการความประพฤติดีและปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกในปัจจุบันและอนาคตนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการเพราะพระองค์สร้างบารมีให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ด้วยการปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเอง บทว่าประมายะบูชายะแปลว่าด้วยการบูชาอันสูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าแท้จริงเชื่อว่านิรามิตบูชานี้สามารถดำรงพระศาสนาของเราเอาไว้ได้ั้นบูชาใดเหล่าใดที่เป็นศีลสมาธิปัญญา การบูชาเหล่าใดที่เป็นการอยู่ในศีลห้ารักษาศีลสิบอุโบสถการถวายทานการฟังธรรมการบำรุงบิดามารดาการประพฤติดีปฏิบัติชอบนะนะถ้าพระภิสุก็ในจตุ ป, ปาริสุที่ศีลเป็นต้นสิ่งเหล่านี้แหละที่สามารถดำรงคําสอนที่ประกอบไปด้วยอธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญาของพระองค์ให้อยู่ได้จึงอยู่บริษัทศีนี้จากบูชาเราด้วยการบูชานี้เพียงใด าศาสนาของเราก็ย่อมรุ่งเรืองดุดดวงจันทร์ในวันเพ็ญเนี่ยนะที่ลอยเด่นกลางท้องฟ้าเช่นั้นมันผู้ที่รุ่งเรืองที่สุดในพระาศาสนาของพระองค์ก็คือผู้ที่อยู่ด้วยการปฏิบัติบูบบชาเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันคำพูดนี้ฟังให้ดีท่านไม่ได้ปฏิเสธอมิตรบูชาแต่หมายความว่าเน้นว่าอย่างไรชื่อว่าปรมายปูชายะเป็นการบูชาที่สูงสุดเป็นการบูชาที่สุดยอด บูชาที่สุดยอดนั้นก็บูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าใครบอกว่าเขาเคารพเราสักการะเราแค่เอาดอกไม้มาฝากเราเรียกว่าเขาเขามีความจริงใจกับเราไหมไม่เนี่ยนะหรือแบบแมแมอะไรนะคิดถึงกันมากอะไรเป็นต้นปีหนึ่งส่งอะไรนะสองข้อสอให้อันเดียวใบเดียวเนี่ยแล้วบอกว่าแมา่ทาตามทุกอย่างปฏิบัติตามทุกอย่างอะไรเป็นต้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ย บทว่าอภิษาเดหิตแปล ว, ว่าต่อไปในข้อข้ออื่นเนี่ยนะขึ้นข้อหมายแล้วว่าในเรื่องพระอุปวา น, นะหน้าหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยสามสิบหน้าสามร้อยเจ็ดสมัยนั้นท่านพระอุปวานนะยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะพระพักนะก็คือพระองค์ประทับยืนอยู่ก็ยืนถวายงานพัด ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับก็คือเมือ่อกว่าไล่อะนะไล่พระอุปวา น, นะว่าดูก่อนภิกษุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราเมาื่อกว่าท่านอะตัวใหญ่ใช่ไหมท่านมายืนตรงนั้นก็เท่ากับบังคนอื่นหมดอะทีนี้พระอุปวานนะท่านก็สอนง่ายนะพูดคําเดียวท่านก็หลีกออกไปแล้วทีนี้พระนนก็ได้มีความคิดขึ้นว่า ท่านพระ อ, อุปวารณะรูปนี้เป็นอุปถาคอยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามาช้านานก็แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นในการครั้งสุดท้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับท่านพระ อ, อุปวารณ์ว่าดูก่อนพิษุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราดังนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยปกติเนี่ยคำพูดทั้งหมดของพระองค์อะที่ปราศจากเหตุไม่มี อะไรเนาะเป็นเหตุอะไรนาะเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับให้ท่านพระอุปวา น, นะว่าดูก่อนภิกษุเธอจงหลีกไปเธออย่ายืนตรงหน้าเราพระอุปวา น, นะเป็นพระอรหันนะต์นะนะถ้าเป็นคนปุตคนทั่วๆไปมาอาจจะน้อยใจบ้างอะไรบ้างจริงนะนะแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่มีปัญหาในประเด็นนี้แต่ท่านนนท่านเกิดความสงสัยขึ้นมาเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันท่านท่านนนพอได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า กันนะพอท่านคิดเสร็จท่านก็ถามกราบทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอุปวานะรูปนี้ได้อุปถาใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามาช้านานก็แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นในการละครั้งสุดท้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงขับไล่ท่านพระอุปวานะว่าดูก่อนภิกษุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราดังนี้อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงขับท่านพระอุปวา น, นะว่าดูก่อนพิสุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเรา น, นะคือท่านก็สอบถามอย่างที่ท่านสงสัย น, นะถ้าท่านมีสิทธิพิศเศษอยู่แล้วท่านสงสัยอะไรท่านก็ถามแต่การถามของท่านพระอนน์ น, นั้นจะเป็นไปด้วยประโยชน์การถามของท่านจะประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขโดยส่วนเดียว